เราก็บอกเหมือนเหมือนเหมือนเรนดอนบอกนะฮะมีปัญหาอะไรทุกวันทวนคือต้องถามต้องถามเลยฮะบายใจเ ก, ก็มาแก้ให้เราคือถ้าแก้ให้แล้วมันหลุดไปเลยเราก็เดินหน้าต่อคือไปเจอปัญหาใหม่แล้วก็ถามไปเรื่อยอย่างนี้แหละแล้วมันก็ได้อารมณ์ทำแล้วมันมีความสุข ไ, ได้อารมณ์ยิ่งเดินยิ่งเพลิน <c oughs> เพลินจริงมานะมากต้องการเข้าไข่ผมต้องสมาทานด้วย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 ก็พอดีแหละไม่ถึงกับทรามานมันก็ปรับตัวได้นะหลายวันแล้วที่พักก็เรียกว่าเนาะสบายที่สุดแล้วครับมีไฟผมมีหลอดยนอนใช้คนเดียวกับ ท, ทานากไม่ต้องใช้เทียนนะอืสบายมากเพราะที่มันผ่านมาดูแต่ในป่าในดงนะเราไม่เห็นกันด้วยอยู่ห่างกันด้วยวคือเราต้องรับผิดชอบตัวเองมีวินัยกับตัวเองนะไม่งั้นคูบาาจารก็ไม่ให้ออกไปไกลโดยเฉพาะคนใหม่ ต้องอยู่กับหมคูคนนั้นหรือไม่ก็อยู่เป็นกลุ่มไปเลยนะอยู่ข้างนอกก่อนนะสักห้าวันหรือเจ็ดวันแล้วค่อยขยับเข้าไปประมาณนั้นก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก็ไม่รู้อะเพรอะแต่ว่าไอความรู้สึกมันก็มีอยู่ครั บ, รบก็ยังปฏิบัติต่ออยเหมือนมาข้อสนิมมันะครับมันก็เร็วขึ้นอยู่ครับ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 ต้องการอย่างลากลึกลงไปลึกลงไปอารมณ์รูปนามเนี่ยเปิดเสมือนต้นไม้ที่เพาะงอกแล้วเป็นต้นกล้าอยู่เป็นปต้นกล้าจะอยู่ในเพือนพาะชำนี่ถือว่าเป็นอารมณ์รูปนามแล้วแต่อารมณ์ประมัดหมายถึงว่าเอาต้นกล้าที่พาอชาแล้วเนี่ยเอาไปปลูกแยกเอาไปปลูกต่างหากซึ่งต้องต้องหากินเองแล้วทีนี้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 สิบส อ, องชั่วโมงต้นรู้ครึ่งหนึ่งขึ้นไปหกชัมมก่วโมงขึ้นไปอันนั้นนะโดยปปร ะ, ระมาณคือหมายเพราะว่าเลิกเลิกเองได้นะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาเตือนมาบอกนะรู้ถูกรู้ผิดรู้พลาดตรงไหนรู้เผลอตรงไหนแล้วก็เรื่อยๆนะสลับเผลอบ้า ง, งเพลินบ้างเผลอบ้างเพลินบ้างลืมบ้างหลงบ้างรู้บ้างสลับกันไปสลับแต่สรุปแล้วออกมาแล้วถ้าเป็นอารมณ์รูปนามในสิบชัมม่วโมงในสิบสองชัมม่วโมงก็ไม่ต่ำกว่าสามชั่วโมงขึ้นไป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 ตื่นเต้นมากไปหาที่ที่พักที่กลางเต็นพอดีไปที่ไปเจอหนทางอ่าคนเดินมันก็ไม่เหมาะหลวงพ่อก็ว่าเออนั่งนี่ก็ดีนะเ อ, อคนจะได้เห็นเพราะว่ามันไม่มี้มันไม่มีผิดปิดไงเต็นมันไม่มีปิดเลยมันโล่งจ้องเลยนี่ผมก็พยายามที่ไม่ย้ายหรอก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 หลพ่อผมาเอ๊หลวงพ่อตดวสอบอารมณ์แน่นอนเลยพรุ่งนี้มาใหม่นะใช่ไหมได้ับครับครับครับเ้เออแล้วแล้วย้ายที่อีกเอ๊ะผมก็ใกล้ห้องน้ำเราคนแก่เนาะใกล้ห้องน้ำดีจังเลยเอ๊ะทีนี้มันไม่ฉี่เลยเฮะมันไม่ปัสสาวะเลยกลางคืนนี่หลวงพ่อ บ, บุญบาลมีหลวงพ่อคุ้มจริงๆก่อนนอนก็ต้องไหว้นะ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 ก็พยายามสำรวมข่มใจตัวเองไว้เพราะเป็นคนที่เล่นชอบเล่นชอบจบอกเพื่อนกูบาจารุ่นพี่อย่างนี้ก็เดินจนมาถึงทิ่พักก็ทำความเพียรต่อแปลงฟันอะไรเสร็จก็ทำความเพียรต่อหลวงพ่อก็บอกว่าเ อ, อความเพียรไม่ใช่จะทำในนรกจกมเออแล้วก็สังเกตตอนมันเผลอือตอนแปลงฟันบ้าง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 เดินแต่สำนักจะก็จะเป็นนั่งอยู่ที่นู่นอยู่ที่ข้างบนมาครั้งล่างก็เน้นในการเดินบ้างนั่งในเปลี่ยนอียาบทในตอนพักเครื่องครังทีอลองศึกษาตอนนั่งเนีเหยียดขาบ้างมองไกลๆบ้างมองดุกนั้นบ้างคนนี้บ้างก็ถือว่าอารมณ์ลุกน้ำประละมัดก็แต่ว่าคขารส